เวลาที่เราตั้งใจจะปฏิบัติธรรมะเนี่ยนะุกฟังมันได้ทุกวินาทีเรามีความตั้งใจทำจริงแน่แน่จริงเอาแค่ว่าเราตั้งใจยังยังไม่ได้ทำเลยนะเอาแค่ว่าเราตั้งใจก่อนว่าเออฉันจะทำไอ้ความคิดที่ว่าฉันจะทำฉันจะฝึกฉันจะปฏิบัติเนี่ย ความคิดนี้ของคุณเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเป็นความคิดที่ที่ดีที่ถูกต้องแล้วหรือว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องเราจะยังทําไม่ได้ทําได้ไม่ดีทําได้บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่เรามีความคิดว่าเราจะฝึกปฏิบัติให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นสิ่งดีเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วคนบางคน อาจจะยังไม่สามารถปฏิบัติทําได้จนกระทั่งจิตสงบแน่วแน่นิ่งเป็นอารม์มันเดียวไม่ไหวติงมิยูเบกาอะไรต่างๆแต่ถ้าเขาคิดว่าเขาจะฝึกคิดว่าเขาจะทําเขาต้องทําได้เหมือนเด็กที่อายุ4ี่ขวบห้าขวบเพิ่งจะพูดได้ยังไม่รู้เรีออยงสาเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีความคิดเป็นอย่างนั้นเป็นนี้เขาคิดอะไรเขาตั้งความปรารถนาแบบไหนเนี่ยมันเป็นไปได้ทังสิน คนที่เป็นนักกีฬาเ ล, าาล่นกีฬาผ่าโผนทำความสามารถพิเศษต่างๆได้แต่เขาก็อาศัยการฝึกฝนมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กนี่แหละเขาทำมาตั้งแต่ตอนนั้นมีความคิดมีแรงบันดาลใจมาตั้งแต่ตอนนั้นเหมือนกันเราเราจะปฏิบัติทำหรือเราอาจจะโตขึ้นมาอายุเท่าไรไม่มีปัญหาเคยทามาไม่เคยทำมาไม่เป็นไรแต่จิตของเราถ้ามีความคิดว่าฉันจะเริ่มทา ฉันจะทำฉันจะปฏิบัติฉันจะทำให้เกิดขึ้นอันนั้นเป็นสิ่งดีมากขอให้มีตรงนี้ตรงนี้เป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์จ่บูฟังเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ถ้าเรารดน้พรวนดินให้ปุ๋ยมันมันก็จะโตมาเป็นต้นไม้ออกผลออกดอกออกผลที่มีรสหวานรสชุ่มฉ่าความที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะนำมาซึ่ง อริยมรรคมีองค์แทั้งหมดอริยมรรคมีองค์แทั้ง8ประการเนี่ยจะนํามาซึ่งผลอันวิเศษหรือว่าผลนั่นประเสริฐคืออริยผลที่จะทําให้ผู้ที่ได้ชิมรสของผลนี้รสนี้เขาเรียกอมตะรสรสนี้คือรสของนิพพานนั่นเองจะเป็นรสชาติที่ไม่เคยชิมมาก่อนแน่นอนในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนาน ถึงเพียงนี้เนี่ยเราไม่เคยชิมรสชาติรสนี้มาก่อนคืออมตะรสมันมีอาจจะให้ชิมลางๆบ้างคือรสคือธรรมะทำ่มบางคนอาจจะนั่งสมาธิเคยมีจิตสงบลงไปวางลงไปเออนั่นคือรสของธรรมะรสของสมาธิรสของศีลรสของปัญญาทำให้ใจเรามีความร่าเริงมีความอาจหานมีความชุ่มชื่น มีปีติบ้างมีความสงบระ ง, งับมีอุเบกขาพวกนี้เราเคยรับรู้มาด้วยใจของเราอยู่บ้างมีบ้างแต่นั้นยังไม่ใช่อมาตตรถตมันก็ใกล้เคียงกันน่ะมันก็ค่อยๆไปค่อยลึกล้ำลึกล้ำลงไปผู้ชอบเคยเปรียบเหมือนกับน้ำเราดื่มน้ำดื่มน้ำจากแม่น้านี่แหละแต่น้ำจากแม่น้าคือคือความเป็นน้ำมันก็จะมีคุณสมบัติของมันอย่างนี้ น้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มนั้นจกนกระทั่งน้ำเกลือน้ำทะเลแต่มันก็จะรสใกล้ๆ ก, ก, กันคล้ายเรียงกันแต่พวกน้ำต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดพอไหลไปรวมที่ทะเลแล้วมันจะรสชาติเดียวกันเหมือนกันนั่นคือมีรสเดียวคือรสเค็มเหมือนกันเรามีสมาธิฏฐิตอนนี้มีความตั้งใจว่าเราจะทําตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติ แค่ตั้งใจก่อนยังไม่รู้วิธีการปฏิบัติเลยด้วยซ้ำเอ๊ะฉันต้องทํำยังไงก่อนหนะ้าวิธีการปฏิบัติต้องมีชุดขาวหรือเปล่าต้องคนผมไหมต้องใช้เวลากี่วันต้องทํำยังไงทําจิตอย่างไรนั่งท่าไหนอ่ะอันนั้นเป็นรายละเอียดที่เอาไว้ก่อนเดีย๋ยวจะอธิบายให้ฟังเอาแค่ว่าใจของเราตอนนี้ตั้งอยู่ให้อย่างถูกต้องตั้งอยู่อย่างถูกต้องบะเรื่องของการปฏิบัติมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ เรามีสัมมาทิฏฐิละเราเหมือนกับอยู่บนต้นต้นน้ำํำแ้่มันก็ค่อยไหลไปไหลไปไหลไปไหลไปก็จนไปออกสู่ทะเลได้เหมือนกันเราเริ่มมีความคิดว่าเราจะทําเราจะปฏิบัติมันก็ค่อยทําไปปฏิบัติไปแต่จิตใจของเราก็เข้มแข็งกล้าแข็งขึ้นมาจนสามารถปล่อยวางได้ปล่อยวางได้เป็นขั้นเป็นตอนไปจนกระทั่งปล่อยวางได้หมดแต่ปล่อยวางได้หมดนั่นแหละแล้วก็ไปถึงจุดเป้าหมาย พระเจ้าพูดถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูพุ์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกวันละหนึ่งจึงจะนําเรื่องราวที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เกิดจากการที่เราตั้งจิตเอาไว้อย่างถูกต้องอย่างเช่นว่าเราตั้งจิตไว้ละฉันจะไปปฏิบัติธรรมฉันจะไปนั่งสมาธิแต่ยังไม่ได้ไปนั่งนะแต่บางคนตั้งใจไว้ว่าเออ ต้นปีหน้ากลางปีหน้าท่านจะมาปฏิบัติธรรมลีเครนสักที่ใดที่หนึ่งอาจจะเป็นวัดป่าลอยหายโศกก็ได้แต่ยังไม่ถึงเวลานั้นในช่วงนี้ในช่วงที่เราตั้งใจอยู่เนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคมาขัดขวางจะมามีงานเข้าต้องไปทํางานอย่างจะนิที่ว่าไปต่างจังหวัดตามประเทศมีงานผูกพันกันหลายอย่างเราไปทํางานนั้นด้วยความตั้งใจเขยันขันแข็งและมีความไม่เกียจคร้าน ลุกขึ้นทํางานแต่เช้าเลิกเริ่มงานก่อนนายเลิกงานทีหลังนายแต่ไม่เอาของที่เจ้านายเขาไม่ได้ให้ทํางานเต็มกําลังของเราแค่นี้คือชื่อว่าคุณปฏิบัติธรรมแล้วนะเป็นการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติตรงเนี้คือการปฏิบัติคือเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจาวันของเราบางทีเราปฏิบัติโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่มันได้ทําอยู่แต่คนที่ใส่กําลังงาน ความขยันขันแข็งลงไปในหน้าที่การงานนั้นชื่อว่าคุณทํางานเหมือนกันคือคุณมีการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเพราะธรรมะสอนให้คุณเป็นยังไงธรรมะสอนให้คุณมีความเข้มแข็งมีความเห้าหารมีความซื่อสัตย์มีความมิเห็นอกเห็นใจกันเราเอาคุณธรรมต่างๆเหล่านั้นมาทํามาปฏิบัติก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมแต่สิแล้วในการที่เราจะแสดงออกซึ่งความเข้มแข็งความขยันขันแข็ง ความห้าวหาญความเห็นอกเห็นใจความมีน้ำใจกันเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องมาทำดีวัดอย่างเดียวก็ใช่ไหมคุณทำอยู่ที่บ้านก็ได้กับลูกกับสามีกับภรรยากับคู่สมรสกับมารดาบิดาแต่กับคนรอบข้างเราเรายิ้มแย้มแจ่มใสแต่แสดงออกถึงความจริงใจมีน้ำใจมีความเมตตาแบ่งปันให้กันนั่นแหละคือเรามีการปฏิบัติของเราแล้วหรือว่าถ้าคุณเจอสิ่งที่ มันท้าทายความสามารถเหนื่อยนักยากแ้วคุณใช้ความสามารถของคุณในการที่จะพลิกผันสถานการณ์ใช้ความเพียรหมในการทำงานเข้าไปสู้ไม่ถอยนี่ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมคุณธรรมในใจตรงนั้นเนี่ยที่พระพุเจ้าพูดถึงนี่แหละคือคุณธรรมในใจตรงนั้นเนี่ยที่คุณทำงานนั้นๆไม่ว่างานนั้นๆจะเป็นอะไรก็ตามที่มันยากละ คุณเอาคุณธรรมนั้นตั้งอยู่ในใจคุณธรรมที่เรียกว่าการที่ต่อสู้การมีความเพียรการคิดแก้ไขปัญหาความคิดสร้างสรรค์ต่างๆมันอยู่ตรงนั้นใน ใ, นใจคุณไอ้ใจแบบเนี้ยถ้าเร า, เามานั่งสมาธิมันก็ใช่เหมือนกันแต่คนที่นั่งสมาธิโอ้โหโปวดคามากเลยนะแต่ว่าพยายามที่จะทรงจิตเอาไว้ยังไงให้ฉันสามารถที่ทําเป็นสมาธิได้เป็นใจลักษณะเดียวกันถ้าเราสังเกตจิตนะสังเกตจิตที่ ทำอย่างนี้เป็นจิต ท, ที่ลักษณะเดียวกันแต่ทํากับสิ่งภายนอกคนละอย่างกันเท่านั้นเองแต่เราไปประชุมหรือเรียนหนังสือแมมมันง่วง ง, วง่วงคนนี้พูดไรไม่รู้พูดไรก็ไม่รู้ฟังแล้วก็ง่วงอยากจะหลับอยากจะสับประงบไปเรียนหนังสือก็เหมือนกันอ้าวเราฝืนนะฝืนในการที่จะตั้งสติเอาไว้นะไม่หลับ แม้มันไม่ดีนะ่าหลับในห้องเรียนหลับในห้องประชุมฟื้นทําอย่างนี้นั่งก็เหมือนกันอย่างนั่งสมาธินั่งอยู่ในห้องวระดี๋ยวทำเอาทำไมมาคานับเราอยู่เรื่อยแตนะ่คานับพระอยู่เรื่อยเอามันจะหลับนี่นะหัวก็งกไปเง่ามาแล้วเอาฟื้นนะฟื้นในการที่จะทําความดีฟื้นในการที่จะส่งไว้ซึ่งสิ่งดีๆในใจฟื้นในการที่จะไม่ไหลไปตามไอ้เจ้านิวร์คือความง่วงเหงาเหานอ น, อน ด้วยกุศลบายทุกอย่างบางคนอาจจะเอาน้ํามาล้างหน้าเอามือรูปตัวหรือว่าลุกขึ้นยืนเพื่อที่จะให้เรามีความกระรีก้กระเปร่าขึ้นมาอันนั้นก็เป็นกุศลอยที่พระเจ้าสอนซึ่งคุณสามารถเอาไปใช้ได้ทุกที่เอาไปใช้ในที่ทํางานใช้ในโรงเรียนใชนห้นงประชุมได้หรือแม้แต่ในขณะที่เราทํางานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นี่คนส่วนใหญ่ก็ทํางานหน้าคอมพิวเตอร์หน้าโทรศัพท์มือถืออย่างนี้เปน็นต้น เขียนรายงานพิมพ์เรียงความหรือรวบรวมข้อมูลในการที่จะหาข้อมูลต่างๆเอาเราไม่เฉไปในการที่จะไปเล่น Facebook, เช็คสื่อโซเชียลมีเดียสื่อสังคมเครือข่ายหรือว่าไปในการที่จะเสียเวลาไปในการทำอย่างอื่นที่มันไม่ใช่งานของเราในหน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เหมือนกันเนะเวลาที่เรานั่งสมาธิ บางคนนั่งสมาธิเไปคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมีความลุ่มหลงเพลิดเพลินไปแหมอดีตควรจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือนาคตมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คิดเพลิดเพลินไปอย่างนั้นแล้วระลึกได้เอ้าก็กลับมาทํางานของตนคนที่นั่งสมาธิอยู่อกก็กลับมามีสติในลมหายใจเป็นตน้นนะเราระลึกในการที่เราจะส่งจิตไว้ให้อยู่กับการงานที่เราทําอยู่เป็นประจานั่นละ่ะนั่นละ่ะจิตแบบเดียวกัน จิตแบบเดียวกันเป้เลยจิตในการที่เราจะทรงไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันเป็นอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวอันนี้อาจจะเป็นอารมณ์ที่มีความคิดในเรื่องการงานนั้นๆหรืออารมณ์อันเดียวอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เรามารู้เราหมายใจนั้นได้ทั้งสองอย่างเป็นจิตที่ต้องใช้พลังอย่างเดียวกันเป็นลักษณะอย่างเดียวกันเป๊้เลยเพราะฉะนั้นเราจะมาปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ว่าจําเป็นจะต้องมาวัดก็ได้มาวัดก็ได้ก็ดี อยู่บ้านทำงานอยู่น้ะเราทำงานอย่างขยันกันแข็งมีความตั้งใจในการทำงานหรือว่าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งน้ะถ้าคุณทำการเกษตรน่ะทำการเกษตรอาชีพเกษตรกรรมล้วคุณไปนาคุณไปเลี้ยงควายแล่วคุณไปทำสวนทำไร่น้ะเราทำอย่างดีทำอย่างเข้มแข็งทำอย่างตั้งใจจริงน่ะไม่เล้วไร้ไปทำเรื่องอื่นๆ อ, อันเนี้ ก็ถือว่าคุณปฏิบัติธรรมละแต่ไม่ได้ฆ่าสัไม่ได้ลักทรัพย์แต่ทำอย่างดีจิตใจแบบเดียวกันเลยจิตใจแบบเดียวกันหรือแม้แต่เวลาที่เราเจอเรื่องที่มากระทบที่ไม่น่าชอบใจแล้วคนด่าอย่างนี้เป็นต้คนคุณด่าใครๆมันก็ไม่ชอบเลยนะถ้าเราถูกด่าถูกว่าจะเป็นคนในครอบครัวด่าเราก็ตามจะเป็นครูอาจารย์หรือว่าเพื่อนฝูงหัวหน้าคนที่เราไม่รู้จักก็ไม่รู้หลักมันมาด่าเราเ แล้วเราอดทนเอาไว้เราอดทนในการที่จะไม่โต้อตอบเขาโกรธมาเราไม่โกรธตอบเขาขึงเครียดมาเราไม่ขึงเครียดตอบเขาตีมาเราไม่ตีตอบความอดทนตรงเนี้อดทนต่อวาจาอันหยาบคายร้ายกาแต่อดทนต่อทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในกายที่มันกล้าแข็งเจ็บแสบเผร้อนอันจะนำเกือบจะตายเลยนี่แหละอดทนอาไว้ นะอดทนได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมเหมือนกันถือเป็นหนึ่งในคุณธรรมที่พระเจ้ายกย่องคือความอดทนอดทนต่อความร้อนความหนาวความหิวความกระหายอดทนต่อเหยืเลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานนะอดทนต่อวาจาที่ไม่น่าพอใจการอดทนได้เนี่ยก็ชื่อว่ากิเลสลดเหมือนกันนะอดทนถูกนะอดทนในการที่จะไม่โต้ตอบไม่ทําสิ่งที่เป็นอกุศล การที่เราไม่ปรุงแต่งคิดก็ตามพูดก็ตามกระทําก็ตามในสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยชื่อว่าเรารักษาจิตเราในระดับหนึ่งมาเก็บจิตของเราเอาไว้ไม่ให้เจ้าอากุศล น, นั้นมันเกิดขึ้นเก็บจิตของเร า, เาไว้ไม่ให้สิ่งที่มันไม่ดีไม่งามมันมาโดนจิตของเราก็ชื่อว่าเป็นการฝึกสติอย่างหนึ่งโดยที่ขณะนั้นคุณก็ยังอยู่ในที่การงานของคุณนั่นแหละอยู่ที่คุณทํางานอยู่ที่บ้านคุณนั่นแหละฝึกจิตอย่างีก็ได้ หรือในบางขณะที่เรารู้สึกท้อแท้หมดกําลังใจขี้เกียจนะเบื่อแต่บางคนเป็นอย่างนี้รู้สึกท้อแท้หมดกําลังใจขี้เกียจเบื่อไม่อยากทําอะไรเซ็งกระตายเอา้าเราเปลี่ยนเดี๋ยวเรามาอ่านหนังสืออาจจะเป็นประวัติของพระรูชาหรือหนังสือประวัติบุคคลสําคัญที่ทําให้เรามีกําลังใจขึ้นมาในการที่จะทํางานก็ตามในการที่จะด า, น า, นาะเนินชีวิตไปก็ตาม ในการที่จะทําโปรเจกต์หรือว่าโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแค่เนี้คุณพลิกผันจากที่ไม่ดีมาเป็นดีอยู่ที่บ้านคุณนั่นแหะชื่อว่าคุณเอาธรรมะมาส่งไว้ในใจคุณเอาสิ่งที่เป็นอกุศลเราทมออกไปจากใจทําอย่างนี้เราปฏิบัติธรรมนะทําอย่างนี้ชื่อว่าเราทรงไว้ซึ่งธรรมนะเป็นผู้ที่เรียกว่าธรรมวิหารีก็คือผู้ที่ทรงไว้ซึ่งธรรมคุณทรงไว้ที่ธรรมส่งไว้ที่ไหนธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัด ธรรมะไม่ได้อยู่ในหนังสือพวกนั้นมันไม่มีตัวตนแต่เป็นแค่เรือนเป็นแค่บ้านเป็นแค่สิ่งของเป็นตึกอาคารเป็นอิฐหินปูนทราย่เป็นกระดาษมันไม่สามารถที่จะทรงธรรมะเอาไว้ได้เอาพูดง่ายๆเถอนะในสมัยพุทธกาลก็ไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้ทรงธรรมะไว้จริงๆนั้นคือใจของเราตรงนีน้ตัวบุคคลที่จะทรงธรรมะเอาไว้ได้เราจะเอาปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณไปวัดก็จริงเถอะ แต่เวลาที่คุณปฏิบัติจริงๆก็ปฏิบัติที่กายปฏิบัติที่ใจเราเนี่งคุณจะปฏิบัติที่กายปฏิบัติที่ใจออกจากวัดมันก็ทําได้เลสิมันไปที่ไหนก็มีกายไปที่ไหนก็มีใจอยู่ในห้องน้ําก็ยังทําได้นอนหลับฝันก็ยังทําได้บางคนนี่งตื่นหนว่าฝันว่าตัวเองได้นั่งสมาธินะแมมฝันดีจริงๆเราธรรมะมาทรงไว้ในใจอย่างนี้แล้วชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทละเป็นผู้ที่เรียกว่าธรรมวิหารอรอย่างที่ว่า ไม่ประมาททำความเพียรเผากิเลสอยู่เรามาลองนึกถึงตัวเราวันนี้ดูวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามคุณฟังรายการนี้อยู่ เ, เวลาที่เหลืออยู่ในวันนี้ที่มันจะมีมาหรือวันต่อๆไปเนี่ยเรามาลองคิดพิจารณาดูว่าวันนี้เราต้องไปเจออะไรเราต้องไปทำอะไรไอ้อเรื่องที่เราจะไปเจอเรื่องที่เราจะไปทำเนี่ยเราจะทรงธรรมะ อาไว้ในจิตของเราได้อย่างไรคือบางทีมันมีความท้าทายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนการงานเราก็ไม่เหมือนกันทําหน้าที่ก็ต่างกันหน้าที่เป็นครูบ้างเป็นอาจารย์บ้างหน้าที่ในความเป็นพ่อแม่บ้างหน้าที่ในเรื่องความเป็นคู่สมรสบ้างหน้าที่ในความเป็นลูกบ้างหน้าที่ในการเป็นลูกศิษย์นักศึกษานักเรียนหรือหน้าที่ใดๆก็ตามแต่ละคนหน้าที่ไม่เหมือนกันเราจะทําหน้าที่ของเราอย่างไร ในการที่เราจะส่งธรรมะของเราเอาไว้ในใจได้ต้องพิจารณาดูรูปแบบไหนบางทีความท้าทายมันเกิดขึ้นในหน้าที่การงานแต่ใ น, ในตำแหน่งที่เราอยู่ในรูปแบบของงานที่เราทำในจังหวะชีวิตที่เราดาเนินไปความท้าทายต่างๆาเหล่านั้นเราลองพิจารณาดูเราเคยทำไม่ดีท่าสร้างสิ่งที่เป็นอกุศลตอนไหนได้บ้างสิ่งที่ไม่อกุศลมันก็เกิดได้ทุกขณะนั่นแหละ มันมีกำลังพอๆกับเรื่องของกุศลนั่นแหละกุศลอกุศลมันเกิดได้พอๆกันเราจะทรงจริตเราให้อยู่ในแดนกุศลมากกว่าแดนอกุศลได้หรือไม่นี่คือคำถามแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีเรื่องอกุศลเกิดขึ้นมากกว่าวเราต้องแก้ไขบางทีในสถานการณ์ที่เราดำเนินชีวิตไปมีความท้าทายเรื่องอกุศลเกิดขึ้นหลายอย่างเอา้าเราจะละมันได้อย่างไร อันนี้เราต้องพิจารณาตรงไหนที่เราคิดว่าแม่ฉันทำไม่ดีฉันทำไม่ถูกไปแต่มันไม่น่าด่าเขาเลยแต่หรือว่าควรจะอดทนเอาไว้อันนี้คือส่วนที่ไม่ดีที่เรายัางทำอยู่แต่ส่วนที่ไม่ดีที่เราทำอยู่เนี่ยเราต้องเอาออกเลิกละทิ้งเสียแต่มันมีแน่ละ่ะแต่ความที่ที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราทาไว้แต่มันไม่ดีนะพิจารณาดูให้เห็น บางทีชอบด่าคนบางทีชอบเยาะเยะ้ยเขาบางทีเอาแค่ไม่ได้ว่าพูดหรอกเอาแค่ความคิดอย่างเงี้ยคิดดูถูกคนนั้นคนนี้คิดว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดีเอ้ยไอ้ความคิดนี้มันไม่ดีนี่นะเป็นการยกตนข่มท่านมนเป็นความคิดที่เป็นอกุศลเอ้าในสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นเราพิจารณาดูให้เห็นว่าเราจะเอาไอ้เจ้าความคิดการพูดจาหรือการกระทำที่เป็นอกุศลเหล่านั้นเนี่ยออกไป จากชีวิตของเราได้อย่างไรนี่นะคุณปฏิปฎธรรมนะเอาแค่ว่าเราอยู่ในหน้าที่การงานตามตําแหน่งหรืองานที่เราทําเอาออกไปให้ได้เจ้าอากุศลเอาอากุศลออกไปป้องกันอย่าให้มันกลับมาอีกบางทีเราเราเราลืมได้วเออฉันไม่ทําหรอกวันนี้ไอ้พรุ่งนี้มันเผลอทาอีกแลมันยังกลับมาอีกเอาเราป้องกันในลักษณะที่จะไม่ให้มันกลับมาจะเรื่องที่เป็นอกุศลแล้วในขณะเดียวกัน เราก็พิจารณาคิดด้วยว่าในสถานการณ์ต่างๆในจังหวะชีวิตที่เราดําเนินไปในหน้าที่ของเราต่างๆ ต, ตรงนั้นการงานที่เรากระทําทุกด้านของชีวิตที่เราดําเนินไปอยู่เนี่ยมันมีอะไรที่เราจะทําให้ดีขึ้นได้บ้างสิ่งดีๆตรงไหนที่เรายังไม่ได้ทำเอาออกมาทําหรือว่าสิ่งดีๆตรงไหนที่เราทําไว้อยู่แล้วเนี่ยแม้แต่มันยังไม่ดีเพอร์เฟกยังไม่ดีเยี่ยม อา้าเราทําให้มันดียิ่งขึ้ น, นคือทําสิ่งที่เป็นกุศลที่มันดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองอย่างบางทีว่าคนเขาเอาของมาให้เราอย่างเงี้ยเอาของขวัญหรืออะไรต่างๆให้เออเรากล่าวคำขอบคุณกับเขาเออนี่เป็นสิ่งกุศลนั่นที่เราสร้างเราทําละเป็นสัมมาวาจาทําละเราทําให้ยิ่งขึ้นมาอีกแต่โดยการตอบแทนเขาเอาของไปฝากหรือเอาหนังสือธรรมะเอาซีดีธรรมะอะไรต่างๆไปให้เออนี่มันทําได้ดียิ่งขึ้นแต่มีการพัฒนามีการปรับปรุง กุศลธรรมที่เราทำดีอยู่แล้วเนี่ยให้มันดีเลิศประเสริฐสีมากยิ่งขึ้นคือเราพิจารณาสองด้านท่ผู้ฟังอากุศลเราต้องละอย่าไปทำมันไอ้ที่ทำอยู่ให้เลิกซะไอ้ที่เลิกไปแล้วอย่าให้มันกลับมาป้องกันให้ดีสิ่งที่เป็นกุศลเราต้องทำให้เกิดอะไรที่เรายังไม่ได้ทำเรื่องของกุศลธรรมเรื่องของความดีงามเราามาทำเราพูดดีกันคิดดีกัน อะไรที่เราทําดีอยู่แล้วในะเรื่องความดีงามที่เราเคยทําเคยกระทํามาดีอยู่แล้วเป็นประจาเนี่ยทาให้มันดียิ่งขึ้นทำให้มันงอกงามจเจริญไพบูุ์เหมาะสมยิ่งขึ้นอันนี้ชี้ว่าคุณทําสัมมาวายามาทันทีทําความเพียรชอบสี่อย่างในะความคิดที่เราจะมาใส่ว่าเออฉันควรจะแก้ไขฉันมาพิจารณาในชีวิตของฉันในด้านที่ฉันเป็นคุณครูก็ตามเป็นลูกศิษย์เป็นลูกเป็นคู่สมรสเป็นมาดาบิดา เป็นลูกหรือแม้แต่ว่าเป็นพลเมืองในประเทศอย่างนี้เราเอามาพิจารณาให้เห็นแจ้งตามจริงเนี่ยกชื่อว่าคุณมีสมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องและไอ้ความที่เราจะใส่เข้าไปในการที่เราจะทําพิจารณาคิดแก้ไขเนี่ยที่คุณตอนนี้มีสัมมาถสติอยู่รู้ไหมและในการที่เราจะมาตั้งมั่นอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นอันเดียวนี้นั่นคือสัมมาถสติล่ะ และถ้าความคิดที่เราคิดพิจารณาอยู่นี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเรื่องของกามพยาบาทหรือความเบียดเบียนใครเป็นเรื่องในแนวธรรมะทั้งสิ้นนั่นก็เป็นสัมมาสังกปะบานทีในขณะที่เรานั่งอยู่นี้ฟังรายการอยู่เนี่ยจิตเราไม่ได้ไปคิดเรื่องต่างๆที่ไม่ดีแน่ละ่ะเป็นสัมมาสังกัปปะแล้วละมีความสบายใจความอิ่มเ อ, อิบใจเกิดขึ้นเป็นผลจากการที่เราไม่ได้ไปคิดเรื่องบ้าบอเอ้เ น, นี้ก็เป็นสัมมาสมาธิในระดับหนึ่งเป็นความที่จิต ตั้งมันเป็นอารมันเดียวในลักษณะหนึ่งเหมือนกันแล้วถ้าในขณะนี้เราก็ไม่ได้ไปโกหกใครไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้อประพฤติผิดในกามไม่ได้แกลงกล่าวเท็จเราก็เป็นผู้ที่มีสัมมารกรรมปัญญาแล้วก็สัมมาวาจ่าด้วยแล้วถ้าในการดํารงชีพของเราไม่ได้มีการที่ไปโกหกหลอกลวงต้มตุน๋น หรือพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงการล่อลับด้วยลาบเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์เป็นสัมมาชีวะนั่นก็เป็นสัมมาชีวะของเราอาเรียมากมีองแบบนี่จำเปนฝังมันอยู่ในชีวิตประจําวันของเรามันต้องอยู่ในการดําเนินชีวิตของเรามันต้องอยู่ในทุกด้านของชีวิตของเราคุณตื่นเช้ามาเมื่อคุณทําได้ทันทีมีสัมมาวาจได้ทันทีมีสัมมาทิฏิได้ทันทีมีสมัมมาสมาธิมีความคิดความดำริชอบได้ทันที คุณดำเนินไประหว่างวันออกจากบ้านไปทําการทํางานไม่ว่าจะเป็นการทํากสิกรรมการเลี้ยงโคการทำอาชีพราชการเป็นทหารหรืองานออฟฟิศอย่างอื่นๆก็ตามทําได้หมดและนี่คือเรียกว่าการดาเนินชีวิตการดําเนินชีวิตด้วยธรรมะนั่นเองเราปฏิบัติได้จะมาวัดก็ได้มาวัดมาหลีกเล่นปฏิบัติก็ยังสามารถทําได้คือการหลีกเล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทาเพิ่มเติมไปแล้ว ในเรื่องการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะในวัดไม่ใช่เลยการปฏิบัติเราต้องทําในชีวิตประจําวันของเราคุณมาวัดสิ่งที่คุณทานั้นคืออะไรอาจจะมาหลีกเล่นบางคนไปสวดมนต์บางคนไปให้ทานอันนี้ก็สามารถทําได้แน่นอนการปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทําได้ในตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงค่ําค่ําจนถึงเข้านอนนอนแล้วฝันยังทําได้แต่เมื่อวันก่อนมีคนมาเล่าให้ฟังว่า เขฝันว่าเขาได้นั่งสมาธิโอ้ยเขาดีใจมากเลยนั่งสมาธิแล้วจิตสงบด้วยนะเออฝันดีมากแต่ฝันก็ยังทําได้เอาแต่แล้วไปวัดเราไปทําเพิ่มเติมในเรื่อ ง, องความหลีกเล่นเราไปพบสมณะเพื่อที่จะสอบถามคําถามเพื่อให้เรามีความประเทืองปัญญาขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่เราทําได้อยู่ตลอดในเรื่องที่ว่าทําไม่ได้เนี่ยไม่มีทางเลยถ้าใครบอกว่าฉันปฏิบัติทําไม่ได้โอ้ยอย่ามาพูดเลยคุณนะคุณไม่เข้าใจ เราเอาตอนนี้ให้เขาฟังว่าจริงๆเขาปฏิบัติทำได้ทุกขณะทุกเวลาไม่ใช่แค่มนุษย์นะท่านฟังเทวดาเขาก็ยังทำกันปฏิบัติกันทำแบบที่เราทำนี่แหละการดำเนินชีวิตไม่ให้รุ่มหลงปในทางกรมมากเกินไปแตนะ่ให้อยู่ในขอบเขตของศีลนันทเทวดาหรือมนุษย์จุดนั้นๆคนนั้นๆก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมละนะหรือว่า เราจะมีการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบมีการหลีกเล่นไปอยู่ผูด้เดียวในมีการดําเนินชีวิตในลักษณะของความเป็นสมณะความเป็นการประพฤติประมาจันอันนี้ก็สามารถทําเพิ่มเติมได้นะทำได้ถ้าเราตั้งใจจะทําไอ้คนที่บอกทําไม่ได้ทําไม่ได้เนี่ยคือเหมันไม่ตั้งใจทําเป็นข้ออ้างไม่ใช่ใจเขาพูดหรอกเป็นกิเลสเขาพูดออกมากิเลสมันสั่งปากให้พูดทําให้พูดสิ่งที่ไม่ดีทีนี้มันเป็นไปไม่ได้ซึ่งจริงๆริมันเป็นไปได้ ถ้าเรามองเห็นเรามองเห็นธรรมะที่เกิดขึ้นในใจของเราเป็นธรรมาวิหาริเป็นผู้ที่ทรงอยู่ได้ธรรมที่ใจของเราทรงอยู่ได้ธรรมอย่างนี้แต่มันจะไปตามลําดับเหมือนกับน้ําที่ฝนที่ตกอยู่บนภูเขาแต่มันก็ไหลไปตามที่ลุ่มที่ที่ลาดไปไปตามห้วยหนองคลองบึงแต่ถึงบึงน้อยบึงใหญ่ไม่น้ําน้อยไม่น้ําใหญ่ไอ้น้ําหยดนั้นที่ตกบนภูเขานั่นมันก็ออกทะเลได้ เป็นน้ำเข็มได้เหมือนกันเราอาจจะเพิ่งเริ่มปฏิบัติเราอาจจะเพิ่งเริ่มในการที่จะมาฟังธรรมะรู้ธรรมะส่งไว้ในใจของเราแล้วเราทําไปทําไปท่านผู้ฟังใจของเราสูงส่งขึ้นได้ใจของเราบริสุทธิ์ได้ใจของเรามีธรรมะได้เราเป็นผู้ที่อยู่ด้วยธรรมอย่างนี้นะท่านผู้ฟังแต่ไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกมันจะมันจะเป็นยังไงก็ตามดีขึ้นแย่ลงอย่างไรก็ตา ม, าตามใจของเราดีขึ้ น, นแน่แนนอนแต่มันมีทางออกอยู่ ทางออกอยู่ในใจของเราทั้งออกอยู่ที่ปลายจมูกนี้นั่นเองที่ถ้าเรามีสติตั้งเอาไว้ดํารงสติไว้เฉพาะหน้าในในการที่เราจะมีความเห็นที่ถูกต้องมีความระลึกที่ถูกต้องมีความเพียรมีการทํางานที่ถูกต้องแล้วเราจะทําความแจ่มแจ้งในธรรมะให้เกิดขึ้นได้แต่วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูุ์อภิปุโนโก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมนะาพื่อนังให้จำเอาไว้ธรรมะ เป็ว่าได้ทุกทีให้เป็นผู้ที่ทรงอยู่ด้วยธรรมให้เป็นผู้ที่ตั้งใจทำความดีอย่าท้อแท้ ท, ท้อถอยความดีไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ในใจของเราเราผลิตมันขึ้นมาเราสร้างสารรค์มันขึ้นมาเราชวเป็นผู้ที่ทรงอยู่ด้วยธรรมได้เดินพัน